จิตท Ugh, oh g, oh g, h, close, ี่ดีเกิดแล้วก็ดับนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยหัดดูของจริงอย่างนี hmm. e ้เรื่อยไปมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยไปจะได้ปัญญาเห็นมมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตนานาชนิดเลยจะได้สมาธิมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตของใจไปจะได้ปัญญา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 จีตชนิดไหนก็ตามเกิดระดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนทานบลนะฝึก อ, อย่างนี้ไปนะไม่ยากหรอกพูดง่ายง่ยนะอยากเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อน <c oughs> มีครูบาอจารย์องค์นึงไปเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็คงพูดสไตล์ที่หลวงพ่อเทศนี่แหละหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนไปเรียนนะฟังฟังหลวงปู่นนะเราสอนหลวงปูไปทำไมไปทำเอาว่าหลวงปู่เลย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 วิญญาณเรายัางไม่เห็นเลยวิญญาณที่ยั่งลงไปแล้วนามรูปปรากฏเนี่ยเรายัางไม่เห็นเลยงั้นเราจะกอนนั้นนีนไม่เห็นเนอกยังไม่ต้องรีบเอ า, ามไม่ไมรีบไม่รีบนะเอาไว้ตอนจะเป็นพระลราหันล้วจะเห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกขอบคุณครับเบอร์แปดขออากาศสมการบ้านค่ะคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นกายกับใจเนี่ยทํางานแยกจากกันอืดีแล้วก็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 ครับก็จะดูอาณนาปานสติไปถ้าเกิดว่าทาให้มันจิตเราหายใ จ, หใจสิรูู้ไปสบายสบายรู้ไปอย่ามีความสุขเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นร่างกายคนอื่นหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันค่อยๆฝึกไปเรื่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งครับวันนี้ตั้งใจมากเลยคือตั้งใจจะมาขอข้ามา